โอกาสเพื่อนจักรารมิกทุกๆกลมเจริญในธรรมยังคุณแม่ชีแล้วก็นักไปริบธรรมทุกท่านฟังก็เดินทางมาจากจัดละยองก็นะเพิ่งมาถึงและเดี๋ยวจะไปต่อขอนแก่นไปทำงานที่ขอนแก่นต่อความต้องการของตลาดมันเยอะ พระอทิตยปฏิบัติในสุขโตแล้วก็วัดป่าที่ภูเขาทองขั้วไมโครโฟนมันหลวมไม่ค่อยแน่นไปจัดตรงขั้วเลยติดติดดับดับเพื่อนก็บอกเราฟังต่อ ก็ความต้องการนั้นสูงของตลาดแรกอย่างก็คือที่จังหวัดระยองก็คนโรคจิตโตรคประสาทกันเยอะประเทศไทยอุบัติเหตุการะระดับโลกอยู่ที่จวัดระยองนั่นแหละคนขาดสติแยงชิงกันมีผลประโยชน์เยอะเครียดค่าตัวตายอันดับหนึ่งก็ไปทำงานไปเจาตลาดอยู่จะเป็นการค้าก็ไปเจาตลาด นี่ก็ถือว่าเป็นร้านหลักเป็นบริษัทที่มั่นคงลูกค้าก็วิ่งเข้าร้านนะเพื่อนสุกโตจุลามาใช่ไหมบัญชีจุลาที่แล ก, กันมาว่าจะฉลับเลยไปขอนแก่นล้รู้ว่าบัญชีจุลามาก็โอ้ปัญญาชนเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงสิ่งที่พูดเนี่ยก็คือความจริงจะจะทําความจริงเมื่อกี้เราก็รู้แล้วสัจจะ ความจริงมันเครื่องตัดทำให้เกิดจิตใจไม่โลเลขึ้นไหมเราต้องมีสัจจานิบัติธรรมบางคนตั้งใจมาดีๆมาวัดปฏิบัติธรรมพอเจอตัวปฏิบัติสัจจะหายมีแต่ธุระจำเป็นฉันจะกลับบ้านมีธุระเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู่นพระกรรมฐานนี่มันไม่ไม่อร่อยหรอกวิชากรรมฐานนะพอนาปัญญาพอนานี่ไม่อร่อยอย่างิงมันขูดเกา พูดเก่ากิเลสนะกิเลสเป็นสาเหตุแห่งความทุกขนะ์ความโลดความโกรธความโงงนมะันเป็นสาเหตุก็เะือว่าเรามารวมหัวรวมตัวที่วัดป่าสุกตก็เพราะว่าเรามองไปแล้วมันมันสุขยังไม่พอพ้นะาหลายรูปอ่นะนอุตส่าห์ลงทุนกนหัวกลนคิว้วนะมาหมชีวรกันนะนะีลงทุนมาความสุขมันยังไม่พอในชีวิตนะอย่าโยมกันเป็นกัน อยู่ในโลกในะความสุขมันยังไม่พอเรียนจนกระทั่งจบปริญญาโทนะมีคนยังอยู่ที่ไ น, นญี่ปุ่นจบปริญญาโทโอ้โหฟุ้งซ่านมากนะมีแต่ความคิดนะอยู่ญี่ปุ่นก็อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนในโลกแสวงหาก็อยู่ไม่ได้เขบอกว่าฉันจะมานิพพานที่วัดป่าสุกโตนี่แหละเพราะว่าหลวงพ่อาำเขียนเคยบอกว่าเออมาที่นวัดป่าสุกโตนะ่ะนิพพานได้ สามารถถึงที่สุดอย่างกองทุกได้มีความสุขสุดๆสุขเกษมสานได้หลวงพ่อที่ว่าคือหลวงพ่อคำเขียนในนี้ก็คงจะไม่รู้จักกันหรอกที่มาใหม่นะแต่ว่าคนเก่าๆจะรู้จักกันดีเราก็จะว่าคุณธรรมหรือว่าบา ร, รมีของท่านที่สร้างวัดสร้างวานะทำให้เกิดความสงบร่มเย็นยังมีกินไออยู่ถึงตัวท่านละสังขารไปแล้วหรือไม่ต้องเรียกว่าละสังขารก็ได้เพราะว่าคนที่ ถึงที่สุดใงกองทุกข์มันไม่มีการละสังขารหรือว่าการตายมิตระคืนสู่ธรรมชาติดินสู่ดินน้ำสูน่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟสร้างวัดสร้างวา ม, มา3า0สีปีห้าสิบนปะีก็เรยงเห็นว่าต่อไปคนเมืองที่มีความทุกข์ก็จะได้มาใช้กันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างนี้เราก็จึงมาถึงแล้ววัดป่าสุขโตที่นี่เป็นสถาบาันสติปัฏฐาน ก็ทำมาไว้หลายปีแล้วก็มาสถาบันสติปัฏฐานก็ฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยแหละตอนเช้าๆท่านจับใบเทศแล้วท่านก็พูดว่าทุกคนจะต้องมีสติเป็นสถาบันไปในจิตใจของเรามีสถาบันเทคโนโลยีสถาบันนั้นนี่นู่นสถาบันมากมายสถาบันในใจของเรามีหรือยังสถาบันสติปัฏฐานสติมันมีสองแบบ แบบที่หนึ่งคือสติตามสัญญาณอีกตัวหนึ่งคือสติที่เป็นสติปัฏฐานสัญชาตทญาณก็กินขี้ปีนอนนะนะสัตว์มันก็มีสัญชาตญาณสติรักรูกสติกลัวตายสติหนีภัยสติอยู่เข้าวมันก็มีเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่สติปัฏฐานคือสติที่รู้กายรู้ใจของเรานะ เรารู้จักตัวเองรู้จักกายอาการของกายรู้จักจิตใจอาการของจิตใจรู้จักอารมณ์รู้จักศีนสมาธิปัญญารู้จักมรรคผลนิพพานถ้าไม่ได้กลับมาดูตัวเองมันจะไม่เห็นไปดูนอกตัวก็เห็นนอกตัวเห็นโน่นนะ่ะดาวบริหลัดโ่นนะ่ะเห็นดาวอังคารโน่นนะ่ะจนทัง ดาราหลายคนของฝรั่งของสหรัฐบอกจองตั๋วไปดาวังคารเศรษฐีหลายคนก็จองตั๋วไปดาวังคารนะอย่าไปดูแต่ของเรานี่กลับมาดูตัวเองกันดูกายดูใจโลกใบนี้ฟังสอกยาวานหาคืบมันมีอะไรอยู่มันมีอารมณ์มันมีความทุกข์มันมีกิเลสมันมีตัวหลง เป็นสาเหตุทำห้เราลืมเนื้อลืมตัวแต่ตัวรู้คือมารู้สึกตัวท่านอาจารย์สมใจคงจะบอกเมื่อวานนี้ละการพริกมือแล้วก็รู้ตัวอยู่เดินไปเดินมานั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวอยู่หายใจกับริบตาต้องปองยุบรู้สึกตัวอยู่มันจะทำให้เราเห็นธรรมชาติของกายเป็นรูปธรรมธรรมชาติของจิต พยาาคิดนึกปรุงแต่งเป็นนามธรรมตรงนี้แหละพ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนไปเรียนครูก็ไม่สอนพระเครื่องบานบัตรเครื่องบานก็ไม่บอกมื่อตารถน้ำมนต์พ่นน้ำหมาคากเสเลตเจิมรถเจิมราพระสวดพระเศษพระสร้างมากมายแต่พระที่เป็นพระกรรมฐานพระที่มาฝึกจิตมันหายยากนั่นแหละ ก็ถึงดันดนกันมาวัดป่าสักตัเชื่อว่าที่นี่มันมีเชื่อว่ามีคนรู้จริงอยู่ที่นี่ก็มาเรียนรู้ร่วมกันมีเจ้าอาวาสเชื่ออาจารย์ไพศาลวิสาโรเงี้ยมีรองเจ้าอาวาสเชื่อพระสุทิศารมีหลายคนอยู่กันที่นี่ร่วมกันสร้างร่วมกันทำร่วมแรงร่วมใจกันแต่ ว, ว่ายุคนี้ในช่วงนี้ก็ต้องมีอาจารย์สมใจสื่อเรื่องกรรมฐาน ความสนใจนี่ท่านก็เคยมีชีวิตเหมือนกับเราเามาเป็นครูบาอาจารย์เป็น ร, อ, าารนองคณะบดีเราก็สนใจเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เป็นโยมเราก็เห็นลักษณะของร่องรอยนะที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ใจยังไงกับการปฏิบัติธรรมการฝึกสติเจริญสติช่วงมีบรรยุดปิดเทิมท่านมาที่นีนะ่มาปฏิบัติธรรมหาวันพักบันหยุดให้กับตัวเอง ตอนนี้ก็ได้โอกาสสื่อมันก็เป็นของจริงที่เราก็ต้องได้รู้ได้เรียนได้ฝึกได้หัดจุดสำคันคือการปฏิบัติเราต้องทํทาธรรมะให้มีในตัวเราต่อฟังว่ามีจากคนอื่นอ่านหนังสือก็มีอยู่ในหนังสือมันก็ไม่มีที่ตัวเราคนนั้นเป็นเศรษฐีคนนู้นเป็นเศรษฐีก็คุยอวดเราคนนั้นมีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เกาคุยอวดเรา แต่ที่ตัวเรายังไม่มีก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดอ่านกายอ่านใจของเราเดี๋ยวว่าธรรมชธรรมชาติมันมีอยู่ที่ตัวเราแน่นอนมันแก่มันเจ็บมันตายมันเกิดกับเราแน่นอนเวลามันทุกข์มันเกิดที่เราแน่นอนเห็นไหมช่วงนี้ข่าวประเทศไทยโลกศาสตรกินเงินหมดแล้วผิดหวังหน่อยก็โดนสถาบนตายน้องเคลีย เวลาโกรธกันหน่อยก็ยิงปืนไล่ยิงกันเลยที่หาดใหญ่อย่างี้เป็นแก๊งสองแก๊งสามแก๊งมีแต่เรื่องโมโหโทโสโกโรธกันแล้วก็ระบายอารมณ์ไม่ค่าเขาค่าตัวเองมันเป็นอย่างเนี้ยตั้งแต่ปีห0สไม่น้นไปปีนี้หกหนึ่งลใช่ไหมโรคเครียดโรคประสาทโรคจิตค่าตัวตายจะล้นโลกแล้วเพราะอะไร ทุกคนมัวแต่ดูคนอื่นไม่ได้กลับมาดูกายดูใจของเราพริกมือรู้สึกตัวนะมันเห็นกายนะตามความเป็นจริงนั่งเดินยืนนอนขณะนี้หายใจอยู่มีการไออยู่เนี่ยคือความจริงนะที่เราได้กลับมาดูตัวเราทุกครั้งที่กลับมาดูตัวเราจะเห็นธรรมชาติกายของเรานั่งเดินยืนนอนเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนไม่สบายปวดปัสสาวะอุจจาระ หิวข้าวบางแต่ใจของเราก็รู้อยู่ดูอยู่สภาวะของสติมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ตื่นตนกตกใจภาวะของสติมันตื่นรู้ตื่นทุกปเป็น น, นี้ใหม่ๆที่เราฝึกกันนะพลิกมอือนี่นะมันเป็นเนื้อของรู้ตื่นใหม่ๆรู้ตื่นเป็นเรื่องของสติรู้แล้วตื่นรู้แล้วตื่นโยกขึ้นมารู้ เออมันจริงนมันตื่นถึงตอนนี้จะตีสี่ตีห้ามันก็เป็นวงเงี้ยมตื่นแล้วนอนมาทั้งคืนมีไหมมาใหม่ใหม่เมื่อคืนนอนไม่หลับมีปะจุแาถ้ามีก็เออไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็รู้สึกตัวไปมันจะรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานผองใสแจม่มใสเดี๋ยนะี้มันจะมีสำหรับคนที่มีสติแล้วถ้ามันรู้นานๆไปมันตื่นรู้ตื่นรู้ ท้ายสุดจิตมันตื่นมันไม่ใช่ว่ารู้ตื่นแล้วนั่มันตื่นรู้ผลของการรู้ให้เกิดการตื่นขึ้นมาไปในจิตใจของเราเบิกบานขึ้นมาหลังจากมันเบิกบานเบิกบานบ่อยๆมันตื่นบ่อยๆพอมันลงนิดเดียวมันก็ตื่นรู้ทันทีหลงทางตาทางหูไปตามความคิดบางทีเรามีอดีตล้ำลึกมีปัญหา เรื่องรูปบางเรื่องครอบครัวบางเรื่องสามีบางเรื่องเพื่อนร่วมงานบางเรื่องภูมิค้ำชาบางเรื่องปัญหาหนี้สินบางเรื่องสุขภาพบางแล้วก็เป็นความทุกข์แต่พอเรารู้สึกตัวปั๊บเนี่ยความคิดไอ้ที่เป็นอดีตหายหมดเลยว่ามันอยู่กับปัจจุบันมันก็เลยเออตื่นตัวเห็นโลกตามความเป็นจริงไอ้ตัวนี้ต้องฝึกกันให้เข้าเนื้อเลยฝึกกันให้ชานาญเลยทําซ้ำๆๆๆๆจําเป็นนิสัยวิใส่เลย ติดก็เป็นในกระดูกดำเลยในจิตก้นบึ้งเลยในจิตสํานึกแม้กระทั่งจิตใต้สานึกก็ตามมีิตรู้สึกตัวรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นจนตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้จนทั้งจิตเกิดอิสรภาพขึ้นมาในโลกนี้มีทาราก็ไม่ได right right, ้ท no ุกข์ใจเขาอุ่นวายล้วก like ็ไม่ได้อุ่นวายก็สับสนแล้วก็ไม่ได้จดสับสนกับเขาก็ไม่ได้รักเราเราก็รักเขาแทนก็ไม่เมตตาเราเราก็เมตตาเขาแทน มันง่ายกว่ามันจึงแก้ปัญหาได้แบบครอบจักรวาลเลยนะตัวรู้สึกตัวนะมันเป็นเรองของอมตะที่เมื่อกี้เราสวดกันความเป็นอมตะความยั่งยืนทั้งโลกนี้และโลกหน้าของเรามันปิดประตูอาบายไปเลยมันเลิกคิดถึงคนนั้นคนนี้คนนู้นในแง่ร้ายมันเลิกไปเลยเมตตาเกิดมาแทนแทนที่จะอิจฉาริสยามเกิดอนุโมทนาจิตขึ้นมาแทน มันเห็นโล่แบบนี้มันเห็นแล้วมันเกิดความ ส, สงสารคนเดยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆขับรถมาทางตีนเขานะี่ยนะมันขึ้นเขาเลี้ยวโคง้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีรถอยู่คันหนึงนายโยมมันเป็นรถของเอสซีเป็นรถติ่ทุกอ็กปูนซีเมนมาปูนซีเมนผงรู้จักป่ะเออ แล้วมันหลงมันกลับรถละทางก็แคบมันจะมีด่านของป่าไม้อยู่มปีประตูเล็กๆอยู่เราเห็นปั๊บรถกำลังกลับรถรถมันก็ยาวมันก็ใหญ่แล้วจะเลียว่านยังไงประตูเล็กๆถนนแคบๆไอ้คนขับก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเราเห็นมันตะไก่นะมันสงสารโยมบอกที่มาด้วยกันไปดูรถให้ก็หน่อย มันสงสารนะทุกวินาทีเห็นอะไรมันเห็นมันเออมันช่วยเหลือกันไม่ต้องร้องขอประเภทนนีะ้มันเกิดจับจิตจับใจขึ้นมาภายในจิตใจของเรานะปฏิบัติธรรมจะอยู่ที่ไหนก็นจะทําดีเสมอในที่รับมันก็ทําดีในที่แจ้งก็ทําดีไม่ใช่ต่อหน้าทําดีรับหลังทําชั่วไม่ใช่นี่ยคือเป็นผลของความรู้สึกตัวเป็นผลงานของความรู้สึกตัวที่ฝึกดีแล้วนําสุกมาให้ นะมีพระอยู่รูปนึงได้เจอเมื่อวานก็เจอสองสามวันนะได้เจอกับพระรูนี่ชื่อพระจูเรียนนะเป็นพระต่างประเทศแล้วก็ชื่อดังนะในรายการคนค้นค น, คนนะอยู่ทางแมงกอสอนอยู่เป็นยอดเขาอยู่กับเผ่าปากยอนะชาวเขาเรียกก็เป็นเทพเจ้าแห่งขุนเขาเลยนะเทพเจ้าเพราะว่าพระรูนี่มีการให้นะบวชพระมา อยู่กับชาวขาวไม่มีเงินแม่ก็ส่งเงินไหมแม่เป็นชาวแคนาดาส่งเงินมาให้ลูกเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์เสร็จแล้วลูกก็เอามาแบ่งปันกันหลังจากซื้อสบู่ยาสีฟันอยู่บนหลังเขาไปอยู่กับคนจนมันไม่มีใครทําทานไม่เหมือนสุกโตะมังคังลำรวยวัตถุสบู่ยาสีฟันของต่างๆมากมายก็นี้พระของ แมงสอนที่เชจูเรียนนนี้ถูกยกให้เป็นเทพัเจ้าเพราะว่ามีการแบ่งพันกุงนสูงปลูกกล้วยเอาไว้กินเองบ้างวันๆกินกล้วยวันละประมาณ30มลูกกับกล้วยน้ำว่าพอไม่มีจะกินอดทนฝึกตัวเองเกิดเมตตากึนมาก็แบ่งพันเวลากล้วยสุก็ให้ชาวเขาเอาไปกินปลูกอาหารปลูกผักปลูกพืชเอาให้กับชาวบ้าน จงทั้งชื่อดังเดี๋ยวนี้สบายไปเลยมีคนเคารพนับถือเพราะคุณงามความดีของท่านหลังจากออกรายการคนๆๆแต่ว่าท่านไม่เคยฝึกนะกรรมฐานแบบแนวเคลื่อนไหวท่านก็รู้จักอาตมาพระทรงศิลเนี่ยว่าเป็นพระฝึกกรรมฐานที่วัดป่าสุขโตมาเจอกันนั้นก็เออขอเรียนกรรมฐานนะ อยากรู้เรื่องความรู้สึกตัวก็ได้พากันเรียนรู้เปิดสื่อภาษาอังกฤษบ้างพอพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งฟังออกแต่พูนไม่เป็นมันไม่ได้ใช้สาเนียงมันก็ไม่ได้สับมันก็ลืมอะไรเงี้ยก็พากันปฏิบัติไปท่านก็เลยเรียนรู้ท่านบอกว่าโอ้ฝึกแล้วสบายใจท่านว่า น, นะ รู้สึกสบายเลยยกมือสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะโอ้แต่ว่าขณะที่ผมทำนะโอ้ผมทำแบบยกหนอโอ้มันสบายใจเลยรู้สึกตัวหนอบริกรรมไปด้วยอันา่า์ลองบอกว่าไม่ต้องบริกรรมหรอกท่านเพราะว่ายกหนอผองหนอสัมมาละหัง ยกย่างเหยียบเนอหรือว่าพุทโธสัมมาหลังอะไรก็ตามมันเป็นคําบริกรรมให้พิกมือปับ๊บรู้สึกตัวอย่างเดียวเยอะขึ้นมาก็รู้สึกตัวอย่างเดียวเอาแค่นี้พออย่าไปเอาเยอะวันนี้นะวเวลานั่งปฏิบัติให้ลืมตาเพราะท่านยกกระทั่ง น, นั่งหลับตาแล้วก็เริ่มผมแล้วรย์บังบอกลืมตาลืมตาลืมตาเพื่อหเห็นโลกตามความเป็นจริงมันจะเกิดปัญญาได้ง่าย ภายนวิธีแนวหลวงปู่เทียนเะนีในว่าต้องทำแล้วลืมตานะลืมตาแต่ถ้าเป็นเบาหวานน้าตาลเกินมันแสบตาก็หลับก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวตาบอดซะก่อนหรือว่าเวลาขับรถไปไหนมาไหนไปตลาดเนะี่ยร้านค้าต่างๆถ้าเดินหลับตาขับรถหลับตายอมก็ฝึกแบบหลับตากันแล้วกันนะยมนะพอเราจะฝึกไปใช้ในโลกงความเป็นจริง ทำมามันต้องมีทุกคนทุกแห่งนะโยมปฏิบัติก็เหมือนกันไม่ใช่มาวัดป่าสุกโตเพื่อปริบันพอไปไหนมาไหนไม่ได้ปฏิบัติจะเข้าห้องน้าก็ไม่ได้ปฏิบัติ ไ, ไ, ปตไปกูฏิก็ไม่ได้ปฏิบัติไปฉันนอาหารก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าลวงโลกต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกหรือว่าลักษณะใช้มายาสาไยเยอะเพราะนั้นเวลาปฏิบัติแนวหลงพิีเนเน้น เืมตาเถอะถลับตาจะสงบไงยใหม่ๆถ้าต้องการความสงบก็หลับตาไปเถอะแต่ว่าความสงบกับความไม่สงบมีค่าเท่ากันนะเวลาฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะแต่ถ้าฝึกส ม, มถาากรรมฐานนะความสงบจะต้องนำเพราะนั้นเวลาปฏิบัติสงบมีความสุขเกิดปิติเกิดความเรียกว่าอารมณ์ ที่ทําให้เกิดการยึดติดอยูมากมายแล้วเกินก็มาที่นี่ทํามีเวลาน้อยนะฝึกแบบตรงไปตรงมาฝึกให้ตรงประเด็นไปเลยหลวงพ่อนะเทียนเรียกว่าสูตรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งนะกรรมฐ า, านนะปริกมือปั๊บรู้สึกออกจากความคิดเรียบร้อยละนะยกมือปั๊บมีความสึกโอ้อยู่กับปัจจุบันกันนะนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ในอดีตนะหรือว่าความวิตกกังวลในอนาคตนะมันก็หายไปทันทีเลย พอชีวิตเราเป็นชีวิตแท้จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายจะหายใจกระพริบตารู้สึกตัวนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวเวลามีความคิดปั๊บเกิดขึ้นมารู้เท่ารู้ทันแล้วไม่ตามไปปรุงแต่งเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะหนึ่งวัน2วันสาวันมันจะต้องติดเป็นนิสัยขึ้นมานิสัยเก่าๆความเคยชินเก่าๆ มันก็จะค่อยๆหายไปเคยมีความทุกข์ไหมโยมชีวิตเคยมีความทุกข์ไหมเคยเหรอเดี๋ยวยกมือนะใครเคยทุกข์เพราะว่าไม่ได้ดังใจยกมือขึ้นมันไม่ได้ดังใจอะอมือลงใครเคยทุกข์เพราะว่าเงินไม่พอใช้ยกมือขึ้น ทุกเพราะว่าผู้คนคำชาหรือเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจยกมือขึ้นเฮ้ยก็พูดอะไรก็ยกมือหมดนะนอะ ม, <laughs> มันก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละชาวญี่ปุ่นก็อยู่ที่นี่นะก็มีความทุกข์นะคนไม่เข้าใจฉันนะฉันต้องสารหมาพระที่นี่ก็บอกวแม่เลี้ยงนคนไม่เข้าใจฉันฉันจะเข้าครัว แม่ชีก็ไม่ให้ทําครัวคนไม่เข้าใจฉันฉันเนี่ยรู้ทำมาฉันอยากสอนฉันอยากพูดกับชาวต่างชาติแต่พระก็ไม่ให้ฉันคุยโอ้โหก็เลยบอกว่าอยู่ที่ไหนจะมีความทุกข์ขนาดนี้จะลู้คนเน่ยอยู่ที่บ้านลราทุกไหมทุกเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจฉันพ่อแม่ใหจฉันแต่งงานพ่อแม่ฉันแต่งงฉันเรียน ฉันอยากจะปฏิบัติธรรมฉันไปทํางานฉันก็มีความทุกข์เพราะว่าในหน่วยงานนะฉันเป็นครูเป็นครูสอนอนุบาแลแะเป็นครูพยาบาลผู้กำกมชาก็ไม่เข้าใจฉันว่าโอ้ไว้ประเดือ๋ธรรมนําเลิกพูดได้แล้วไอ้ความที่คนไม่เข้าใจเราเข้าใจเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะตรงนี้คือจุดเปลี่ยนนะถ้าเราเข้าใจตัวเองได้นะเข้าใจกายเข้าใจจิตใจของเราเนะี่ย ตรงนี้มันเกิดบุญขึ้นมาคือมันอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขปัศจายการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเนาะมันจะไม่เบียดเบียนตัวเองเช่นหาเรื่องนอนดึกหาเรื่องโทราศัพท์พูดคุยเล่น Facebook หาเรื่องมากินอาหารที่มันตามใจปากแต่ลำบากก้นอย่างงี้มีไหม ตอนใจปากกินเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเปรี้ากตอนถ่ายเวลารับประทานอาหารไมได้นึกถึงตอนถ่ายพตอนถ่ายก็ไม่ได้นึกถึงว่าเรารับประทานอาหารอะไรลงไปมันไม่เกิดปัญญาหนังเดินยืยนนอนจะทําอะไรก็ตามอยู่กับสังคมสมมุติก็ไม่รู้จักจนกลายเป็นคนบ้าคนบออยู่ไหนเป็นคนบ้าเป็นคนบอคือไม่สามารถปรับตัวเท่ากับเท่ากับ สมบัติบัญญัติในสถานที่นั้นๆได้เช่นอยู่สุกโตก็ต้องสมบัติบัญญัติให้เข้ากาับอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อตกลงร่วมกันของชุมชนอย่างที่นี่บางคนก็มีศีล5้กินข้าวเย็นอยู่ครัวเพราะฉะนั้นครัวต้องเปิดตั้งแต่เช้ายันมื่หน่อยแหละว่าตอนเย็นก็ต้องกินกันบางคนปฏิบัติการศีลแปดก็แค่มื้อเดียวสองมื้อนีก็คือตอนเย็นงดบางทีตอนเพลนก็งด อย่างญี่ปุ่นเขเนี่ยชื่อชี่ออไรเนี่ยก็งดกินแค่มื้อเดียวแล้วก็โอ้โหไปละยองเนี่ยพยายามที่จะให้ปฏิบัติทำเต็มที่เลยก็ตามไประยองประโยชนประมาณสองอาทิตย์พยายามห้อยู่กับความรู้สึกตัวเยอะๆนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวเยอะๆนะแต่ภาษาเขาพไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาไทยแกก็ไม่ค่อยแตกฉานภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยชำนาญภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเลย ต้องใช้ภาษาในตัวภาษาการเคลื่อนไหวเนะ่ยเยอะนะพูดจกนกระทั่งร้องไห้นะมะวันซื้อเน่ยร้องไห้เลยนะโดยความที่ไม่รู้ภาษาพูดกันมากเนะี่ยกลายเป็นว่าเขาจะต้องฟังคําพูดของเราแบบอึดอัดจกนกระทั่งร้องไห้ออกมาโหถึงขั้นป่วยเลยนะเวลาจิตมันตกนีครับจะถึงขั้นป่วย ประเภทหมดเลียวหมดแรงอากาศร้อนแล้วก็ทำท่าจะจับไข้แล้วก็อาเจียนเวลาปฏิบัติมีอาการสำรอกกิเลสนะร่างกายของเราอาจจะอาเจียนปรับเนื้อปรับตัวสักสองสามวัน4ี่วันห้าวันวันละกันนี้ของฮีโร่เอกเอาจริงกับเขาตอนหลังๆเนี่ยพูดจนกระทั่งอาเจียนเลยนะแล้วก็พอป่วยแล้วก็ต้องแก้ลมให้เขาอะนะ กรดูร่างกายก็เพลียมากก็ต้องโดบหน่อยแบรนด์รัวซุปไก่แบรนเห็ดเห็ดหลินจือหรือไม่ไก็ให้ทางเช่าเขาเรื่องของไกาก็ป่วยทางเช่าเนี่ยขวดมหนึง3 0ม0 0ืนกว่าบาทแบ่งเขา้าเม็ด5เม็ดก็เป็นพัานละโยมให้เขาคราวนี้พอให้ก็ปับร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาเปลี่ยนหน้ามือกับหลังมือเลยนะเอาแบรนดเบิ้ลเข้าไป ร่างกายมันเพลียักขนาดนี้ไม่ต้องกินขวดเดียวเราสองขวดไปเลยร่างกายสดชื่นส่วนจิตใจของเขาดูว่าเป็นยังไงก็แก้อารมณ์ให้เขาโดยการพูดดีกับเขาคลุ่นมชอบพูดดีพอพูดไม่ดีมันก็ร้องไห้พูดดีขึ้นมามก็มีกาลังใจขึ้นมาปากอนนั่งรถมาเนี่ยคุยมาตลอดทางเลยนะพอมีกาลังใจก็คุยคุยคุยุกน จนทังจากระยองมาถึงชายภูมินี่แหละก็เลยเอาทิ้งไว้ที่ชายภูมแมวขึ้นมาที่วัดด้วยเอาทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ยอมสนทีขึ้นมาส่งคือตัดวงจรซะให้เขาเรียนรู้หลายๆแบบเพราะนั้นเวลามีกําลังใจขึ้นมาคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวคึกคักคึกขนองพอหมดกําลังใจขึ้นมาก็สมยาเนี่ยกลุ่มของไพรโลบลาโรคไพโบลาเนี่ยเวลา ดีใจจะชื้นคลื่นขึ้นมาบางทีเขาอารมณ์ดีเขาก็โน่นทำเพลงญี่ปุ่นรนะ้องมาในรถมีความสุขเนะพราะฉนั้นเราก็เห็นแล้วก็ต้องช่วยกันสงสารกันนะพี่รู้สองน้องรุ่นหนึ่งก็พากันไปมรรคผลนิพพานคือต้องรู้สึกตัวจริงๆพอรู้สึกตัวจริงๆมัน จ, จ, จะนิ่งๆเงียบๆเบนะพราะนั้นละมาวันสองวันสามวันหวันเลยนะพยายามรดพูดเพื่อพ อ, อนายได้ นะอยู่กติอยู่สองคนสามคนมันยังอย่าพูดเราก็ใส่ใจตัวรู้สึกนี่แหละผนะิกมือรู้สึกนั่งเดินยือนนอนรู้สึกนเนี่ยทำตัวนี้ไม่ใช่เดินรู้ว่าเดินไม่ใช่นั่งรู้ว่านั่งนะไม่ใช่นาะเดินก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวขณะนี้ฟังก็ต้องรู้สึกตัวนะทําอะไรก็ตามคือปิดตาหายใจรู้สึกเข้าใจแม่สัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้เราไม่ต้องมีคํำบลก ร, รมะมาเลยก็ไปเลยรู้สื่อรู้เพียว บางคนรู้วันเดียวก็รู้ได้เลียงหลงพูทเทียนในสองวันก็รู้เลยผู้ศรัทธาทั้งระบบในหลงพูทเทียนรู้หมดเลยในสี่ปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเท่าไหร่หมดเวลาไปกับเรื่องอะไรตัวนี้เพราะฉะนั้นจะให้ขาดทุนนะมาที่นี่วัดปลาสุกตัวที่นี่ปกครองโดยไม่ปกครองโดยยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าใครไม่รู้สึกตัวนะพระเนี่ยหลงเงินหมดร้อนผ้าเหลืองอยู่วัดไม่ติดเพราะฉะนั้นเราชั้นเสร็จก็ กลับไปกติตั้งกายให้ตร ง, ำงทำรองสติให้มันนรู้สึกตัวกับลมหายใจท้องพองยุบแต่ที่นี่เอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็คือพลิกมือรู้สึกตัวทําให้เป็นทําเป็นลําสนุกท่องโลกสนุกเลยนะเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องกันต่อไปไปอย่างนี้พรนะนนพุทธสารนาสอนเรื่องแก่นนะคือให้เรานะ่ยคืนสู่ธรรมชาตินะรเรียกวานิพาน คือความไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรที่หลวงพ่อเขียนท่านพูดนะสักตว่าสักตะว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักะว่าได้ยินกลิ่นสักะว่ากลิ่นรดสักว่าล ด, าลดนะเป็นอะไรของการรู้และตื่นทุกครั้งที่รู้และตื่นแต่พออีกสักพักมันจะตื่นแล้วก็รู้ใจมันตื่นเดี๋ยวรูปรูปลดกลิ่นเสียงรูปธรรมนามธรรมพวกนี้จะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานแจ่มใสพองใส นะหลังจากนั้นก็เกิดอิสราภาพทางจิตวิญญาณขึ้นมาเพราะในโลกนี้มีสมมุติมากมายแล้วกันก็ต้องกลมกลืนให้ได้ไม่เช่นะาานั้นเรากลายเป็นคนคิดนอกโอกหรือว่าเป็นแกะดําหรือว่าเป็นรักษณะของอคิดแบบนอกกรอบแต่ว่าคนไม่ยอมรับนะมันก็แย่ไปอยู่ในชุมชนนั้นสังคมนั้นได้ยากแต่ถ้าสังคมยอมรับก็กลายเป็นคนเด่นคนดังขึ้นมา จะทำอาชีพกลายเป็นธุรกิจที่มันโกยเงินเลยเพราะว่าคิดแบบนอกกรอบสังคมยอมรับขึ้นมาแบบมาร์คซักคันเบิกอะไรแบบนี้คิดแบบนอกกรอบสามารถคิดเรื่องอะไรเฟซบุ o กใช่ไหมมาร์คซักคันเบิกจกนตั้งเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเราก็เรียนรู้จากความรู้สึกตัวมาเรารู้กายรู้ใจของเรารู้ตัวเองรู้คนอื่น เรารู้ตัวเองรู้คนอื่นดีก็พร้อมเรียนรู้โรคของเราโดยใจเรารับรู้นั่นละมีการปล่อยวางอยู่ในตัวรู้จะทําดีทํางานทั้งวันแต่เหมือนไม่ได้ทําอะไรทําดีไว้ให้กับโลกถ้าเราทําดีแล้วไม่มีความสึกตัวนะจะทําดีติดดียึดดีอวดดีบ้าดีท้ายสุดทุกข์เพราะความดีทําไมก็ไม่ทำทำไมเขไม่ทํเาทเคยไหมโยมทําดีทั้งน้ําตาเคยปะเพราะฉะนั้นเราทําดีแล้วก็แล้วไปเนาะเรารู้ตัวเราเองดี เราทําอะไรลงไปจะคิดจะพูดจะทำคนอื่นไม่รู้เราถ้าเรารู้เรารู้สึกตัวเหมือนกันท้ายสุดเนี่ยนะมันมใีใครช่วยเราได้ปิดตาตายนะสำมาหังนะนึกถึงพระรหัสนะพุโทโธนะพุโทโธนะมันไปไม่ไหวหรอกเพราะขนาดมีชีวิตยอยู่ทําได้ยังไม่อยากจะทำเลยเพราะนั้นเวลาใกล้ตายไม่ต้องให้ใครมาบอกต้องบอกตัวเองให้ชัดอย่างเช่นขนาดนี้ ปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกตัวไหมโ ย, ยมรู้สึกตัวไหรู้รู้ตัวเองกาลังนั่งอยู่ไหมสุดยอดนากราบน่าไววนะ่าเคารพมากเพราะความเป็นพระก็อยู่ตรงนี้แหละกำลังของจิตใจเขาเรียกว่าพระกาลังคุณธรรมความดีต่างเขาเรียกว่าพระแล้วเด็วพวคนที่มีสติรู้สึกตัวนะพระร้อยซพระเกิดตรงนี้แน่นอนถ้าเป็นพระหลานก็คือ รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องสิมีสติสัญญะให้เต็มรอบสิเป็นมหาสติสิรู้เท่ารู้ทันแล้วสตินี่แหละจะแปลรูปเป็นศีลแล้วสตินี่แหละจะแปลรูปเป็นสมาธิแล้วสตินี่แหละจะแปลรูปเป็นปัญญามันก็จึงเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้อย่างนี้นะอาวัะนั้นอาตมาภาพนะหรือว่าตัวผมก็ขอเป็นเพื่อนเป็นกายามิตรก็พูดแบบนี้แลหละตำหรับวันนี้ แล้วเดี๋ยว้ายสุดนี้ก็ขออำนวยพรกันแล้วกันให้ทพวกเราทุกค น, นได้ใช้วัดป่าสุขโตได้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเรากันก็นกคือมีสติรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันตึงจนทั้ ง, ทงเห็นกายเห็นใจเห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องจนเกิดความสุขเฉลิมสารเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตันโดยทุกหน้ากันทุกรูปทุกนามเธอ กลับปาปองกัน